คุณสว น, นีภาวนาเป็นไงดีนะต้องเห็นทุกนะเห็นเกิดดับถูกต้องนะไ่เห็นอย่างอื่นไม่ได้นะคือๆๆยุ่งกับคนอื่นก็ยุ่งเยอะแต่ว่ามันไม่ใช่ฝึกปฏิบัติแล้วหนีโลกนะ เรามีหน้าที่อยู่กับโลกเราก็อยู่ไปเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวไปการปฏิบัติก็ไม่ได้ขัดแย้งกันก็ดูใจเราบางช่วงสมัยหลวงพ่อหัดใหม่ๆบางช่วงอยากไปบวชอะไรเงี้ยเบื่อโลกนะนีหน้าที่อยู่กับโลกมันยังมีก็ดูดูความเบื่อไปนะ <Okay. S 1> อ่ามันเบื่อเพราะมันไม่มีสาระอะไรโลกจะดีกว่านั้นเลยต่อไปเราก็จะดูเข้ามา จนกายกับใจเราเนี่ยไม่ใช่ตัวเราเมื่อกายกับใจไม่ใช่ตัวเรามันจะไม่เบื่อโลกนะะมันจะรู้สึกเลยกายกับใจนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของโลกนั่นแหละมันเป็นส่วนหนึ่งของโลกมันจะไปเบื่อโลกได้ไงย่า่ยังติดมันยังรักในความเป็นเราอยู่มันอยากให้จิตของเราดีอยากให้จิตเรามีความสุขอยากให้จิตเราสงบอะไรเงี้ยไม่อยากสูงสิ่งกับใครนะลึกๆ ล, ลงไปก็คือเรารักตัวเราเองนั่นเอง นถ้าเราคอยรู้กายรู้ใจเป่นมันไม่มีตัวเรามันก็ไม่รู้จะเบื่อทำไมกายกระใจนี่มันของโลกประหกะระักแหละก็อยู่กับโลกได้อยู่กับโลกนะไม่ติดโลกแต่ว่าสบายมีความสุขคุณพระราดาเป็นไง ดูเป็นนะช่วงปลายปลายปีก็ยุ่งหน่อยเราทําธุรกิจน่ะมีหลายคนหัวโตเลยคิดบัญชีก็ดีนะเป็นปรดานแต่นี้ดูเป็นและดูเป็นแล้วดูเรื่อยๆนะขอบคุณดีแล้วใครรู้ไปแล้วอย่าบังคับนะอย่าบังคับใจตัวเองอย่าไปตรึงความรู้สึกให้นิ่ง ให้เป็นธรรมชาติที่สุดธรรมดาที่สุดธรรมดาที่สุดดีที่สุดเลยค่อยๆดูไปนะดูไปบังคับนิดหน่อยทราบไหมบังคับอยู่ให้รู้ทันนะรู้ทันต่อไปจะเป็นธรรมชาติที่สุดไม่บังคับแล้วเป็นธรรมดาสบายอ่เด็กผู้หญิงคนนี้ล่ะเคยฝึกม้ยังลูกใครเ น, นี่ยออลูกคุณสวรรณีเคยหัดบ้างไหม เป็นไงภาวนาเป็นไงบ้างเวล า, ากิเลสเกิดดูออกไหมตัวไหนดูออกง่ายที่สุดล่ะโลบโกรดหลงเนี่ยโลบเหรอโลบใบหรือเปล่าโลบใบดูไฟนะดีกว่าโกรดใบนะโกรดใบดูง่ายโกรดใ บ, บไม่มีความสุขแล้วโลบใบอ ย, อยังพอมีความสุขบ้างนี่ล่ะเป็นไงบ้างหัดดูบ้างไม หลวงพ่อสอนบ้างไหมใช่ได้ใช่ได้ใจค่อยๆตื่นแล้วหนีไปคิดแล้วทราบไหมใจลอยแว บ, บไปเราก็รู้นะใจลอยก็รู้เยตอนนี้รู้สึกไหมเราบัง ค, บงออบงคับตัวเองเออบังคับตัวเองก็ไม่เอานะสิ่งที่ผิดมีสองอันหลวงพ่อไม่ได้สอนสิ่งที่ถูกนะหลวงพ่อบอกให้รู้แต่สิ่งที่ผิด ละสิ่งที่ถูกมันถ้าเราไม่ผิดมันถูกเองสิ่งที่ผิดอันแรกก็คือใจลอยไปเราเผลอๆ เ, เราเมื่อเมื อ, มอเราคิดไปทั้งวันในโลกมีแต่คนหลงคนทั้งโลกเลยตื่นขึ้นมาตื่นแต่ตัวแต่ใจยังคิดคิ ด, ค ด, ค ด, ค ด, คดฝันฝันไปทั้งวันไม่รู้ตัวเองอีกพวกหนึ่งนักปฏิบัติจะชอบไปเพ่งเอาไว้ไปบังคับไว้ไปประคองไว้ไปกําหนดเอาไว้ใจก็จะนิ่งๆชื้นๆร่างกายก็แข็งแข็งใจก็แข็งแข็ง ในความสุดโตมีสองงานถ้าเราไม่หลงผิดไปสุดโตกตงด้านนี้เราจะถูกอัตโนมัติเลยเพราะไม่มีทางเลือกอย่างอื่นแล้วถ้าไม่สุดโตกข้างซ้ายข้างขวามันก็เข้าตรงกลางเลยทางสายกลางเราก็ไม่ต้องไปค้นคว้าไม่ต้องไปหามันนะแค่ใจเราลอยไปเรารู้ทันเนี่ยราก็จะตื่นขึ้นมาในฉับพลันละตอนนี้หนีไปคิดแล้วทราบไหมมันเสือไปใจมันเสือไปทาอะไรเมื่อกี้นี้ทาอะไร ตอบหลวงพ่อถูกไหมเมื่อกี้ใจแอบไปทำอะไรนึกออกไหมให้คอยรู้ทันนะรู้ไปเรื่อยๆเชิญเชิญว่าไงาใช่ๆชใ ช, ใช่ไม่ทวงอย่างอื่นหรอะนะทวงแต่กันบ้านช่วงนี้ดีขึ้นนะคุณพระดาก็ดีขึ้นนะไม่ใช่แย่ลง การที่เราต้องไปยุ่งกับโลกเยอะๆทุกข์คลีมากเหน็ดเหนื่อยวุ่นวายแต่เราคอยรู้คอยดูอยู่เนะี่ยมันใช้ได้อยู่มันไม่ใช่ว่าการปฏิบัติที่ดีต้องหนีจากโลกไม่ใช่การที่เราหลบหลีกออกจากโลกชั่วครั้ชั่วคราวเพื่อมาฝึกซ้อมวิธีปฏิบัติเท่านั้นเราฝึกซ้อ ม, มเช่นเรามาหัดทําสมาธิเดินจงกรมอะไรเงี้ยฝึกซ้อมชำนี้ชํานาญเราก็กลับมาอยู่กับโลกเลย เราชีวิตจริงเราอยู่ตรงไหนเราก็ไปทำกรรมฐานจริงๆตรง น, น, นั้นชีวิตอยู่กับโลกเราก็ทำกรรมฐานอยู่กับโลกนั่นแหละสังเกตไปใจของเราแต่ละวันไม่เหมือนกันบางวันมีความสุขบางวันมีความทุกข์บางวันใจเป็นกุศลบางเวลาก็เป็นอกุศลหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆคอยรู้คอยดูง่ายมากนะอย่างหมอที่เล่าให้ฟังเมื่อเช้าไม่ทาอะไรเยอะหรอก คอยรู้ทันใจตัวเองไปเรื่อยๆแล้วก็เห็นเลยใจมันทํางานของมันเองนะมันไม่ใช่ตัวเราเห็นอยู่แค่นี้ใจจิตใจไม่ใช่เราจิตไม่ใช่ไม่ใช่เราดูอยู่เรื่อยๆดูแค่นี้เองวันที่ใจมันแจ้งขึ้นมาก็เข้าใจธรรมะเั่นอย่างอาจารย์อภิธรรมบางท่านจะสอนให้ดูรูปดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนจะต้องมีความรู้สึกที่ถูกต้องคือรู้สึกว่าไอ้รูปที่ยืนเดินนั่งนอนมันไม่ใช่ตัวเรา เป็นวัตถุเป็นรูปที่เคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนเวลาเราดูจิตใจเราก็ดูอย่างถูกต้องเราก็จะรู้สึกเลยจิตใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกมันเป็นสิ่งที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปล ง, ปลงทํางานได้เองเดูเข้าไปตรงๆอย่างนี้ง่ายๆทางนี้ก็สั้นนิดเดียวไม่ได้มีอะไรลึกลับอะไรบันไดกําลังพอจิตมันก็รวมเข้าไปตัดของมันเองเราไม่มีหน้าที่ไปทําอะไร ในธรรมจักเ่ยจะเริ่มแต่จกักขงอุทปาีิดวงตาเกิดขึ้นดวงตาคืออะไรคือสภาวธรรมที่มันไปรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเองรู้ความปรุงแต่งรู้จิตรู้ใจเรารู้เท่าทานันเรามองเห็นเห็นเหมือนตาเห็นเลยแต่ไม่ใช่เป็นรูปร่างเป็นนิมิตนะรูปร่างแสงสีใช้ไม่ได้เป็นการรู้ด้วยความรู้สึกมียานยา น, นาอุทปาธิยานเกิดขึ้นยานคือความอย่างรู้นั่นเอง ก็คือการที่เราเห็นไจรักษณ์ของสภาวธรรมที่จักขุ่คือดวงตานั้นไปเห็นเข้าเสร็จแล้วปัญญาอุทธป่าที่ปัญญามันก็คือความเข้าใจความเป็นจริงแล้วะว่าจริงๆแล้วไม่มีตัวเราตัวเราไม่มีวิชาอุทธป่าที่เป็นความเข้าใจอริยสัจ ต, ตัวที่มีอยู่นี่ตัวทุกข์ล้วนๆเลยตัวเราไม่มีถ้ามีความดิ้นรนมีความพยานอยากขึ้นมาอไหร่ก็ทุกข์เมื่อนั้น เสร็จแล้วอาโลกูท่าปาที่แสงสว่างเกิดขึ้นแสงสว่างเกิดขึ้นแสงสว่างครอบโลกกระทับแต่ช่วงครั้งช่วงคราวนะแวบบเดียวนะคุณกีรพันธ์มามาเป็นลมแข่งกัน <c ười> เป็นไงภาวนาน้อมอยู่ไหม <c ười> อะไรนะ <c ười> ดีแล้วดีแล้วที่เห็นบางทีเราน้อมใจไปด้วยนิ่งๆว่างๆนะบางคนนึกว่าเป็นพระอรหันนะ <c ười> แล้วนะวันหนึ่งเรายังเห็นว่ามีกิริยาน้อมอยู่ใช้ไดนะ้นี่มันต้องเห็นต้องเห็นด้วยตัวเองนะหลวงพ่อด้แต่คอยประคองประคองให้ค่อยๆเดินไปนะวันหนึ่งเราก็เห็นด้วยตัวเราเองอ๋อใจยังยังทำงานยังน้อมอยูนะ่ดีที่เห็นนะถ้าเห็นเราก็ผ่านไปได้คุณเสื้อแดงว่างไงเคยมาไหมไ <ป S 1> เออครั้งแรกเหรอเออไว้ก่อนอนี่ หรือบ่อยหรือเผลอนาน เ, าอเออเผลอบ่อยใช้ได้ใช่ได้เผลอไปบ่อยนะเอาให้ได้วันละหลายหลายร้อยครั้งนี่หลักเคยมาไหมเป็นไงรู้เรื่องบ้างไหมกิเลสเกิดรู้ไหมเออดีเห็นกิเลสนะ่ะดีกว่าเห็นเทวดานะเพราะเห็นเทวดาแล้วเราจะเกิดกิเลสแต่เห็นกิเลสนี่เราจะพ้นกิเลสนะงั้นลูกศิษย์คนไหนกิเลสเกิดบ่อยหลวงพ่อชอบชอ บ, ชอบนิยมยกย่องนะ คนไหนได้หูทิพย์ได้ยินใครเขาพูดนะได้ยินเสียงตลอดเวลาปว ด, ดหัวนะนั่งแก้กันตางตายเลยกว่าจะแก้ได้คนหนึ่งคนหนึ่งเดี๋ยวเห็นโน้นเห็น น, น, น, นี่เห็นกิเลสดีละขยันดูนะรู้สึกไหมกิเลสเยอะรู้สึกไหมเราร้ายกว่าที่เราเคยคิดไวนะ้จะหานางมารร้ายสักคนไม่ต้องหาที่อื่นนะหาในใจเรานี่นะร้ายร้ายทั้งวันคุณนี้เคยมาไหม เป็นไง<ช>ได้ดูใจตัวเองบ้างไหม<ช>ดีแล้วคอยดูไปเลยคุณจูนเป็นไงจูนหนีไปคิดแล้วคุณผู้ชายเนี้ยลืมตัวเองแล้วลืมตัวเองตอนที่กระดุกกระดิกอ่ีใยไกลอยไปให้คอยรู้ไปเรื่อยแต่ไม่ใช่บังคับนะเราจะไม่บังคับอาจูนเ็งไง อ, อ, อยากดีก็ทุกข์อย่างคนดีนะ ม, ม, ม, มันจะเริ่มตอนเป็นสราระหันให้มันดิ้นเปเถอะแล้วตามรู้มันไปนะอปเอ อ, อ เ, เออมันอยากดีก็ทุกข์ไปเรืเอ่อยการปฏิบัติจริงๆมันไม่ใช่ว่าเราไปทำที่ดีๆขึ้นมาไปปรุงแต่งสิ่งที่ดีขึ้นมาการปรุงแต่งสิ่งที่ดีเป็นเรื่องของคนที่จะอยู่กับโลก ก็ื่จะอยู่กับโลกเราก็ปรุงสิ่งที่ดีมีทานมีศีลมีอะไรต่ออะไรสร้างของเราไปเรืเจริญคุณธรร ม, มเมตตากรุณาอะไรก็ทำไปแต่ถ้าเราอยากพ้นโลกต้องหันมารู้ทุกอริยสัจข้อแรกเลยเรื่องทุกทุกนี่จําเป็นที่ต้องรู้พุทธเจ้าท่านนิยาไมไว้เรียบร้อยนะทุกก็คือกายกับใจดิขันห้าเป็นตัวทุก งั้ น, นักปฏิบัติต้องรู้ทุกคือรู้กายรู้ใจตัวเองแต่เดิมเราคิดว่าตัวเรามีจริงๆนี้เราเราเรียกว่าเราไม่รู้ทุกเรคิดว่าตัวเรามีจริงๆมาเฝ้ารู้กายรู้ใจมากๆถึงจุดหนึ่งเลยเห็นตัวเราไม่มีนะมีแต่ทุกกายนี้ก็เป็นตัวทุกใจนี้ก็เป็นตัวทุกล้วนๆเลยตัวเราไม่มีพอตัวเราไม่มีแล้วเนี่ยสมุทัยก็จะถุกละอัตโนมัติ แล้รู้ทุกข์แจ่มแจ้งนะสมุทัยสะถูกละอัตโนมัติตัณหาจะถุกละตัณหาคือความอยากสุขอยากสบายอยากดีนั่นแหละอยากมีความสุขอยากหนีความทุกข์เนี่ยเพราะมันมีตัวเราขึ้นมามันก็อยากมีความสุขอยากหนีความทุกข์ไปเรื่อยๆนี่พอเรามารู้อยู่ที่กายรู้อยู่ที่ใจจนปัญญามันเกิดตัวเราไม่มีความอยากจะเที่ยวหาความสุขอยากที่จะหนีความทุกข์ก็ดับไป พอจิตใจหมดความอยากหมดการหิวโหยหมดความดิ้นรนเนี่ยจิตใจจะได้สัมผัสกับสันติสุขสันติสันติก็คือนิพพานคือนิโรดนั่นเองเงั้นการที่เรารู้กายรู้ใจจนเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจว่าตัวเราไม่มีมีแต่ทุกข์ล้วนๆมีแต่รูปธรรมนามธรรมาล้วนๆไม่ใช่ตัวเราปัญหาคือความดิ้นรนของจิตใจก็จะถูกทําลายไปมันจะดิ้นทุกวันเพราะมันอยากให้เรามีความสุข ก็สมน้ำหน้าแล้วเอ <c oughs> เ อ, อนะน้ำหน้าดูมันไปปรุงนิดเดียวก็ทุกข์ละแต่ไม่ปรุงก็ไม่ได้ใจมันจะปรุงเขาทำของเขาเองดูออกไหม <c oughs> งั้นเบื้องต้นเราจะเห็นเลยมันไม่ใช่ตัวเรามันทำงานของมันได้เองถ้าใจเรายอมรับตรงนี้มันจะตัดสิ่งห่อหุ้มจิตครั้งที่หนึ่งเป็นพระโสดาบันยอมรับความจริงแล้วกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเรามันทางานของมันเอง เฝารู้เฝ้าดูไปอา้าวกายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเลยเป็นตัวทุกข์ล้วนๆไม่ใช่ตัวดีเลยก็ปล่อยวางนะจิตใจก็เลิกดิ้นรนหมดความหิวโหยหมดการดิ้นรนจิตใจก็เข้าถึงสันติสุขเข้าถึงนิโรดนิพพานนะดังการรู้ทุกข์จนละสมูทยัยเข้าถึงนิโรธได้เรียกว่าการเจริญมรรคนี่อริยสัจสี่อดๆเรียรู้ทุกข์ไปนะรู้ทุกข์ไปอย่าไปอยู่ยๆก็ไปรู้นิโรธนะ ตอนหลังๆเริ่มจะมีคําสอนที่ลึกๆแล้วให้ไปรู้นิพพานให้ไปรู้มหาสุญญตาอะไรเงี้ยพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนพระพุทธเจ้าสอนให้รู้ทุกข์ให้รู้กายรู้ใจแล้วรู้ทุกข์แจ่มแจ้งปัญหาจะถูกละอัตโนมัติถ้ารู้ว่าตัวเราไม่มีตัวเราไม่มีแล้วจะต้องไปดิ้นให้มันมีความสุขอะไรนักหนานียมันทุกข์ล้วนๆก็หมดแรงดิ้นพวกเรารู้ทุกข์ไม่แจ่มแจ้งอย่างเรารู้กายรู้ใจเนี่ย เราจะรู้สึกว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างจูน ร, รู้สึกไหมายนี้ใจนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างยังมีตัวเลือกสองตัวเราจะเลือกความสุขเพราะงั้นจะดิ้นรนหาความสุขดิ้นรนหนีความทุกข์ตลอดเวลาเลยแต่ถ้าเมื่อไหรส่สติปัญญาแก่กล้านะกายนี้ทุกข์ล้วนๆจิตนี้ทุกข์ล้วนๆมันจะไม่ดิ้นรนหาความสุขแล้วแต่มันจะโยนทิ้งเพราะมันทุกข์ล้วนๆมันไม่มีความสุขที่จะหยั่งลงเลย งนั้นตราบใดที่พวกเรายังเห็นกายนี้เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างจิตนี้เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเรียกว่าเรายังรู้อริยสัจไม่แจ่มแจ้งถ้ารู้แจ้งอริยสัจกายนี้เป็นทุกข์ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆไม่มีทางเลือกอันอื่นเมื่อไม่มีทางเลือกอย่างอื่นแล้วเนี่ยถึงจะยอมปล่อยวางถ้ายังทุกข์บ้างสุขบ้างก็จะปล่อยวางไม่ได้มีแต่จะดิ้นหาความสุขดิ้นหนีความทุกข์ไปเรื่อยๆดงั้นทางที่จะพ้นทุกข์ คนปล่อยวางรูปนามกายใจแล้วเข้าไปเห็นนิพพานได้จริงๆมีแต่ต้องรู้ลงไปมากๆนะรู้ทุกข์บ่อยๆรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจส่วนให้มันเห็นความจริงนะเป็ของไม่เที่ยงเป็นของเป็นทุกข์เป็นของไม่ใช่ตัวเราแล้วมันโยนทิ้งนะตรงที่มันทิ้งความยึดตือรูปนามนั่นแหละมันถึงจะเห็นนิพพานเห็นมหาสุญญตาเห็นนิโรธแล้วแต่มีหลายชื่อเห็นสันติก็ได้นะนิพพานมีสันติลักษณะ เห็นมีราคาก็ได้นิพพานปราศจากราคะตัณหาเห็นวิสังขารก็ได้นิพพานปราศจากความปรุงแต่งนี่จะเห็นได้ไม่ใช่อยู่ๆก็จะไปเห็นเอาเดี๋ยวนี้เริ่มมีคนสอนนะแล้วบรรลุภาพลรหันกันเยอะเลยบรรู้กันเต็มไปหมดเลยภาพละหันหันซ้ายหาาันขะวาชก็บอกว่าทําไมเป็นภาพลรหันแล้วดูนิพพานนะการที่เราไปคิดถึงนิพพานนะ ไม่ใช่วิธี pasa, prendre, วิธรมิปัสนาการคิดถึงนิพพานเรียกว่าอุปัสสมานุสติการคอยคิดคอยสืกคอยระลึกถึงนิพพานเรียกอุปัสมานุสติเป็นวิธีธรรมสมถะอันหนึ่งการน้อมใจเข้าไปหาความว่างเรียกว่าอากาสานัญญาตนะเป็นการทําอรูปฌานอย่างหนึ่งการน้อมใจไปอยู่กับความไม่มีอะไรเลยเรียกอากินัญญายตนะเป็นอรูปฌานอีกอย่างหนึ่ง เพราะฉะนั้นถ้าน้อมลงไปนะก็จะเป็นรูปอรูปประชานไม่ใช่รูปนะเป็นอรูปประชานแต่ถ้าคิดเอาก็เป็นอนุสติเนื่องอุปสมานุสติเะฉะนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนนะอ ย, อยู่พยายามไปดูนิพพานพวกเราไม่เห็นนิพพานปุถนะุชนเห็นไม่ได้เพราะเราไม่มีที่จะให้ดูเรามีแต่กายกับใจให้ดูเพราะฉะนั้นดูกายดูใจไปต้นทางของการปฏิบัติอยู่ที่รู้ทุกข์รู้กายรู้ใจรู้บ่อ ย, อยๆจนกระทั่งปัญญามันเกิด เห็นความจริงะปัญหามันจะดับนิพพานมันจะปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาเ อ, อย่าเที่ยวหาตรงๆนะเอี่ยหานิพพานตรงๆหลวงพ่อต้องมาแก้พระรหันบ่อยมากเลยช่วงหลังๆชักเหนื่อยนี่คนหนึ่งนะเป็นพระรหันแล้วจิตใจเศร้าขึ้นมานะนะอาจารย์ก็บอกว่า ใ, ใช่ใช่แน่นอนนะเศร้ามันเป็นขันมันเศร้า บอกนี้ไม่ใช่การเศร้าันนี้จิตเศร้าจริงๆนะเอ <c oughs> ถ้าเห็นอย่างนี้ข่อยยังชั่วแก้ง่ายไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอ่ไม่เป็นไ ร, อ, ไนไรอันนั้นไม่ใช่การเห็นนิพพา น, นนั้นบางทีเราดูกายดูใจเราไปเห็นอนัตตลักษณะเห็นความว่างจากความเป็นตัวตน นั้นสติปัญญาเกิดก็จะเห็นรูปนามเป็นอนัตตาเนี่ยเห็นอนัตตลักษณะส่วนมหาสุญญตาหรือนิพพานไม่เกี่ยวกับรูปนามนะรู้สึกไหมโลกนี้ว่างๆโลกนี้ว่างๆบางทีเห็นว่างอย่างนั้นเป็นว่างที่ยังเข้าคู่กับความวุ่นวายนะว่างชั่วคราวไม่ใช่ของจริงนะถูกแล้วที่ปฏิบัติอนะ่ะถูกแล้ว บางทีก็เห็นบางทีก็ไม่เห็ น, นทำถูกนะถึงไ ด, ได้เห็นอย่างนั้นอ้าวคุณน้อยกับคุณอ้อยเอ๊ะคุณอะไรนะเนี่ยชื่ออะไรนะี่อคุณซิมบ้างไง นั่นเลือกซะมันผิดตรงที่ไปประคองอ่ะทําไมถึงประคองอยากให้มันดีเห็นไหมทําไมอยากให้ดีเพราะมันคือตัวเรานะครูบาอาจารย์วัดป่าวงหนึ่งผูหลักผู้ใหญ่ที่สุดตอนเนี้ยท่านบอกว่าปฏิบัติอย่างแล้วนะกิเลสหนังไม่ตลอกเลยนะเพราะเราไปทนุถนอมมันเพราะเราอยากให้มันดีอยากให้มันสุขเราไม่ได้ดูลงไปว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวเรานะ เฝ้ารู้เฝ้าดูนะแล้วเดี๋ยวมันจะสอนธรรมะเราจเจริญแล้วเสื่อมจเจริญแล้วเสื่อมทำยังไงก็เสื่อมถ้าเห็นอย่างนั้นนานไปใจวางยอมรับยอมรับสภาพแต่ก็เลิกดิ้นรนเข้าถึงธรรมะตัวจริงธรรมะตัวจริงก็คือตรงที่ใจมันหมดความดิ้นรนแล้วน ะ, ะคุณอ้อยเป็นไงแล้วตอนนี้ขนาดจิตนี้รู้ตัวเต็มที่ไหมมีอะไรแทรกอยู่ ดูออกไหมามันมีโมหะหน่อยหนึ่งนะดีที่เห็นนะไม่มีปัญหานะออสตันแอสตั น, ตนใจค่อยตื่นแล้วดูเรื่อยๆนะท่านทวีชัยท่านเป็นยังไงบ้างน่ามันจะรู้สึกเหมือนมีปิติมีความสุขนะ้วบางที ถ้าหวือหวาขึ้นมามันจะเป็นปิติพอเรารู้ทันมันก็ค่อยๆปัดสติค่อยๆสงบลงนะใจก็จะตั้งมั่นสมาธิเกิดอะไรผ่านเข้ามาใจก็มีอุเบกขาอยู่เป็นกลางไมนจะเดินอยู่ในพดชงนั่นเอแต่ว่าถ้าเรามีสติขึ้นมาบางทีมีความรู้สึกเป็นสุขนะชว่วยแผ่วๆขึ้นมาอันนั้นไม่ใช่ปิติเป็นสมนัตเวทนาจิตมีสมนัติตมาดีใจมากเลยท่านในผล ึกปฏิบัติหลวงพ่อสมัยยังไม่ได้บวชอ่านหนังสือของคุณพ่อท่านเลยสนใจกลัวบาปกลัวกรรมท่านถอเรียทีิบูลลูกชายมารีกาสมาได้แทนคุณท่านของโยมเป็นไงบ้างมาด้วยกัน จริงๆเราไม่ได้ปฏิบัติด้วยการนั่งอนะเราปฏิบัติในทุกๆอิริยาบถเรานั feel, free, in ่งอยู่เราก็รู้สึกเลยเดี๋ยวใจก็ลอยแวบไปเดี๋ยวก็รู้สึกขึ้นมาเดี๋ยวก็ลอยแวบไปเดี๋ยวก็รู้สึกขึ้นมารู้สึกมากๆก็จงใจรู้สึกก็ไปเพ่งเอาไว้ฟลิกไปฟลิกมาเปลี่ยนไปเรื่อยๆเวลาเราเดินเดินๆอยู่เดี๋ยวก็ใจลอยแวบไปเรื่องอื่นบางทีก็เดินแล้วมาเพ่งร่างกายที่เดินดีก็ตื่นรู้สึกตัวขึ้นมาเนื้สภาวะหลักๆมันก็มีสามัญ ไม่เผลอไปก็รู้สึกขึ้นมาลืมไปก็เพ่งเอาไว้นะยืนเดินนั่งนอนก็มีสามอันนี้การที่โยมเห็นมันยืนเดินนั่งนอนเนี่ยเรารู้สึกนั่งอยู่เนี้ยแปบ๊บเดียวก็ใจลอยเนี่ยใจลอยแล้วทราบไหมเนี่ยหัดแค่นี้เองไม่ได้หัดเพื่อให้มันดีอะไรหรอกแต่หัดให้เห็นความจริงว่ามันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาหัดให้เห็นความจริงว่าเราบังคับมันไม่ได้โยมดูออกไหมบังคับมันไม่ได้มันจะหนีแวบเนี่ยบังคับไม่ได้แต่ถ้าเพ่งเนี่ยจงใจเพ่งได้ เพรา้นเพ่งนี้เป็นอุปสรรคสําคัญเลยมันทํำให้ไตรลักษณ์มันไม่แสดงตัวง่ายๆใจลอยแว บ, บแล้วทราบไหมแวบบนะ่ะยมรู้อย่างเนี้ยรู้ไปรู้จนกระทั่งเห็นความจริงว่ามันทํางานของมันเองนะมันไม่ใช่ตัวเราเหรอกตัวเราไม่มีนะเนี่ยลอยแว บ, บไปอีกแล้วทราบไหมดีแวบบแวบบแวบบดูไปอย่างเนี้ยนะเราไม่ได้เอาปฏิบัติไปถึงไหนะนะอยู่ตรงนี้เองอยู่เฉพาะหน้าอยู่ปัจจุบันนี่เองนะไม่ต้องไปที่ไหนเลย เคยฝึกมาแบบไหนหนุ่มเสื้อแดงเนี่ยเหนอไปเข้าคอร์สอะไรบ้างไหมเคยไม่เคยเลยเหรอนั่งแบบไหนสมาธินั่งพุทโธก็หัดจากพุทโธได้นะเรานั้นหัดพุทโธต่อไปพุทโธอย่าขี้เกียจนะพุทโธทุกวันพุทโธบ่อยๆพุทโธจนใจมันพุทโธของมันเองนี่พอเราพุทโธพุทโธเนี่ยไม่ใช่พุทโธเลื่อนลอยนะ พุโทโธเพื่อจะคอยรู้ทันใจตัวเองเคยไหมพุโทโธพุโทโธแล้วหนีไปคิดเรื่องอื่นเออแล้วก็พุโทโธของเราไปพอใจมันหนีไปก็รู้ทันพุโทโธไปเรื่อยๆบางวันใจสงบรู้ว่าใจสงบนะพุโทโธไปแล้วใจฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านสรุปแล้วก็คือเราหัดพุดโทโธเพื่อจะรู้ทันใจตัวเองอย่างนี้พอเข้าใจไหมลองทํานะคล้ายๆเราเอาพุโทโธเนี่ยเป็นกระสอบทรายซ้อมชกอะ่ะ จนกระทั่งจิตใจของเราเนี่เคลื่อนไหวไปทางไหนเรารู้ทันหมดเลยพุโทโธพุทโธหนีแวบไปแล้วรู้ทันพุโทธโธพุทโธแล้วเพ่งแล้วรู้ทันนะพุโทโธแล้วสงบสุขวีติอะไรเกิดขึ้นรู้ทันใจของเราเรื่อยๆพุโทโธเพื่อจะรู้ทันใจคําว่าพุทโธหรือพุทธะแต่ว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็คือตัวจิตของเรานั่นเองเราท่องพุโทโธพุทโธเพื่อจะเข้ามารู้ให้ถึงจิตถึงใจตนเอง พอเรารู้ถึงจิตถึงใจตนเองเราก็พร้อมที่จะปฏิบัติและในชีวิตจริงๆอย่างเราออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยพอตาเรามองเห็นสาวใจเราวิ่งไปหาเขาแล้วเรารู้ทันในใจมันวิ่งไปแล้วเราเดินเดินอยู่ใจลอยแวบไปเราเคยพุโทโธแล้วเรารู้ทันว่าใจลอยนะพอเรามาอยู่ข้างนอกไม่ได้พุโทโธนี่แหละพอใจลอยแวบนะมันจะรู้ทันว่าใจลอยแล้วในสุดเราจะรู้ทันใจตัวเองจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วเราก็จะรู้ทันไปเรื่อยๆเมื่อรู้ทันไปเรื่อยๆต่อไปปัญญาจะเกิด เราจะเห็นเลยจิตนี้เป็นของไม่เที่ยงเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายจิตนี้เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้นะเดี๋ยวมันจะดีเราก็สั่งให้ดีไม่ได้มันจะร้ายแล้วห้ามมันก็ไม่ได้มันจะใจลอยมันจะไปคิดก็ห้ามมันไม่ได้เนี่ยเฝ้ารู้เฝ้เห็นเลยมันไม่ใช่ตัวเราถ้าเห็นว่าไม่ใช่ตัวเราก็ได้ธรรมะเบื้องต้นล่ะอย่างนี้พอไหวไหมพุโทโธนะอย่าขี้เกียจนะอันตรายอุปสรรคสําคัคญของนักปฏิบัติคือขี้เกียจแหละ แต่ก่อนไปตาละอูหลวงพ่อท่านถามแล้วคุณสอนฆราวาสเยอะฆราวาสมีจุดอ่อนที่ไหนฆราวาสมีจุดอ่อนที่ความต่อเนื่องฆราวาสชอบเว้นวักการปฏิบัติทําไปวันสองวันแล้วก็เลิกหายไปเดือนหนึ่งมาทําใหม่นะไม่ได้กินหรอกนะมันต้องสู้ตายเทศดูไปเรื่อยๆตั้งแต่ตื่นยกเว้นเวลาที่เราทํางานที่ต้องคิดอย่างเด็กๆไปเรียนหนังสือเนี่ยต้องไปฟังให้รู้เรื่องไม่ใช่เวลาจเจริญสติ แล้วเวลาที่เหลือรู้กายรู้ใจไปเราผู้ใหญ่แล้วทำมาหากินต้องคิดเวลาคิดทำมาหากินคิดไปเวลาที่เหลือเนี่ยรู้กายรู้ใจตัวเองไปตอนนี้ใจลอยแล้วรู้ไหมหนีแวบๆไปดูออกไหมนี่หัดอย่างนี้นะหนีแวบรู้ทันแวบรู้ทันเนี่ยไปแล้วรู้ไหม <c oughs> เป็นไงอยากกลับแล้วหรือ <c oughs> ของโยมตึกมาแบบไหน เอพุโทโธงั้นฟังไปแล้วนะเรียนจากใครละ่ะเรียนอาจารย์ไหนสอนให้ใหัดไปหัดพุดโทโธไปนะพุโทโธเรารู้ทันใจไม่ใช่พุโทโธเรื่อยๆนะพุโทโธไปเรื่อยๆไม่มีจุดหมายปลายทางใช้ไม่ได้เราจะทำอะไรจะทำเพื่ออะไรไม่ต้องรู้คอยรู้เรื่อยอจริงๆง่ายหลงพ่อเริ่มต้นมาก็จะ หายใจเข้าหายใจออกแล้วก็พุโทโธนั่นเองหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็พุโทโธแต่ไปต่อไม่เป็นได้วติดแต่สมถะอยู่ยี่สิบสองปีนะนะเจอกลุ่ปูดูลท่านสอนให้ดูใจตัวเองมาดูใจตัวเองเป็นเลยรู้เลยกรรมฐานอะไรก็ใช้ได้หมดเลยนะเราหัดพุดโทโธพุโทโธใจเราหนีไปก็รู้พุโทโธใจสงบก็รู้นะพุโทโธแล้วใจเป็นยังไงก็รู้หรือคนไหนหัดจากท้องฟองยุบก็ได้ฝึกตาไปได้เลยนะ ก้าวขึ้นมาดูจิต ด, ดูใจให้ได้อย่างเราดูท้องฟองยุบไปเรื่อยๆเดี๋ยวนึงก็หนีไปคิดแล้วแอสตันเคยเป็นไหมดูดูมันหนีไปคิดรู้ทันว่าใจหนีไปคิดดูไปสักพักเมงใจเข้าไปเพ่งท้องแอสตันดูออย่างเพ่งท้องใจเข้าไปเพ่งก็รู้ทันว่าใจไปเพ่งนะใจมีความโศกมีปีติอะไรก็รู้ทันอย่างที่เขาเป็นในที่สุดเราจะรู้ทันใจตัวเองเมื่อเรารู้ทันใจตัวเองเนี่ยเรากลับมาอยู่กับโลกธรรมดานี่แหละมาฝึกกรรมฐานจริงๆในชีวิตจริงๆของเรานี่เองนะ ตามมองเห็นจิตใจเราเป็นยังไงขึ้นมาเราก็รู้หูได้ยินเสียงจิตใจเป็นยงไงก็รู้ใจเราคิดแล้วจิตใจเราเป็นยังไงเราก็รู้เดี๋มาอยู่ในชีวิตจริงๆหรือบางคนหัดขยับนะอย่างสายลงพ่อเทียนหัดขยับก็ใช้ได้เหมือนกันจริงๆแล้วกรรมฐ า, านอะไรก็ได้นะก็มียกเว้นเหมือนกันนะเพ่งๆอะไรต่ออะไรแล้วก็เห็นนูนเห็นนี่ออกนอกไปอย่างนั้นก็ไม่ได้แต่ถ้ารู้กายรู้ใจตัวเองอยู่นี่ใช้ได้เหมือนกันหมด ขยับมือเงี้ยขยับไปแล้วก็รู้สึกตัวไปเห็นร่างกายนี uh ้ม huh. like so, ันเคลื่อนไหวเห็นร่างกายมันขยับไม่ใช่เราขยับหรอกเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวขยับไปสักพักนึงใจหนีไปคิดแล้วก็รู้ทันว่าใจหนีไปคิดเหมือนเพี่อสัันดูท้องของยุบแล้วใจหนีไปคิดเหมือนกันนั่นเองขยับแล้วใจหนีไปก็รู้ทันขยับแล้วใจเข้าไปเพ่งอยู่ที่มือก็รู้ทันในที่สุดก็รู้ทันใจพอรู้ทันใจเราก็มาอยู่กับโลกข้างนอกนี้ได้ กรรมฐานที่รู้ทันจิตใจตัวเองนี่มันเหมาะกับคารวาะนะเอามาใช้ในชีวิตจริงๆไดนะ้อย่างถ้าเราจะเลยขยับมือออกมานอกวดัดนอกสำนักใช่ไหมชาวบ้านเขาหลีกหมดเลยนะอตัวอะไรมาก็าไม่รู้หน้าท่าทางน่ากลัวนะหรือเราจะข้ามถนนเราก็ยกย่างอะไรนะั่นเดี๋ยวรถทับเอานะดูแปลกแต่ถ้าเราดูจิตดูใจมันจะกลืนอยู่ในธรรมชาติไม่มีคนอื่นรู้เลยว่าเราปฏิบัติอยูนะ่มีแต่เราเจ้าของนี่แหละรู้เอง ใจเราหนีแวบก็รู้ใจเป็นยังไงก็รู้งั้นรูปแบบของการปฏิบัติเนี่ยมันคือการฝึกซ้อมเบื้องต้นนั่นเองเหมือนนับมวยเข้าค่ายซ้อมอะเตะกระสอบต่กระสอบนะฝึกซ้อมช้นนี้ชํนานาญแล้วก็ออกมาสู้จริงๆขึ้นเวทีจริงของเราเบื้องต้นก็หัดกรรมฐ า, านอันใดอันหนึ่งตามที่เคยฝึกกันนั่นแหละฝึกดูท้องพองยุบก็ดูไปเห็นร่างกายนี่มันพองร่างกายมันยุบนี่พวกรู้กาย ใจหนีแวบไปก็รู้ทันใจไปเพ่งก็รู้ทันเนี่ยมารู้จิตได้ในที่สุดก็รู้ทั้งกายทั้งจิตนั่นเองทุกคนพอฝึกถูกต้องแล้วจะรู้ทั้งกายทั้งจิตเหมือนๆกันหมดเลยนั้นสุดท้ายจะไม่ทะเลาะกันนะทะเลาะกันเนอะพวกภาวนามไม่เป็นแล้วสายไหนดีกว่าสายไหนจริงเหมือนๆกันถ้าถูกก็ถูกอย่างเดียวกันถ้าผิดก็ผิดอย่างเดียวกันนั่นเองสิ่งที่ผิดก็มีสองอนเหมือนกันอีกนะไม่เผลอไปก็เพ่งเอาไว้งั้นเบื้องต้นจะทํำยังไงก็ทําไป นี่ไปคิดแล้วทราบไหมนักพุโทโธใจหนี้ไปคิดรู้ทันหันไปดูเข้าลืมตัวเองนึกออกไหยไม่ห้ามนะหลวงพ่อไม่ได้ตําหนินะหลวงพ่อกําลังสอนให้หัดรู้ทันใจตัวเองใจเราวิ่งไปเรารู้ใจเราเป็นยังไงเราคอยรู้หนี้ไปคิดแล้วทราบไหมนะมันลืมไปแล้วใช่ไหมไม่ห้ามมันแต่ต่อไปพอเราจําได้ว่าใจเผลอไปคิดเป็นไงพอมันเผลอปับ๊บสติจะเกิดเอง สติตัวจริงจะเกิดเองนะสติที่ไปกาหนดให้เกิดยังไม่ใช่ของจริงงงทราบไหมงงรู้ว่างงารู้ลงไปซีความงงเที่ยงไม่เที่ยงเนี่ยดูอย่างนี้นะโบลบโกรดหลงขึ้นมาก็รู้ไปอย่างนี้แหละความสงสัยเกิดขึ้นก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเอาทีมนักดนตรีเอาคนไหนก่อนตังก่อนไหมอาวุโสอ่ะ เอาให้มันสั้นหน่อยก็แล้วกันถังดีแล้วไยฝึกไปเวลากิเลสเกิดถังก็เห็นแล้วใช่ไหมตอนนี้ดีแล้วล่ะที่ฝึกอยู่ใช้ได้ใช้ได้ดูไปหลับหลับเป็นไงไม่มีอะไรแปลว่าทุกอย่างว่างเปล่าเป็นสุญญตาดีแล้วที่ไม่มีกิเลสเกิดไหมเห็นบ่อยไหม ดีแค่นั้นพอละนะเห็นกิเลสเนีวิเศษละช้างอะช้างก็จะมีจะมีความทุกข์ความกังวลใจเป็นประจำแล้วก็พ อ, พอรุ่น แ, แล้วจะกระโดดเข้าไปโกรธมันเออดีที่รู้ทันนะพรู้แล้วก็เข้าไปโกรธมันเนี่ยดีที่ตรงนี้เห็นนะถ้าไม่เห็นนะช่วยตัวเองไม่ไหวเนสุดใจจะเป็นกลางนะ อะไรเกิดขึ้นแจกก็เป็นกลางไม่ไปเกลียดมันเออช่างมันเถอะ <c oughs> ก็ชีวิตนี้เป็นทุกข์จะให้มันสุขได้ยังไงเห็นทุกข์แหละเรียกอริยสัจนะถ้าดูทีไรโอ้สุขทุกวันเลยอาการหนักแล้วลูกศิษย์หลวงพ่อมีอีกคนหนึ่งนะพาคงรู้จักอะ่ะสุขสุขค่ะสุขขึองเลยค่ะ มาทีไรก็ทุขสุ ข, ขาตาลอยสุขหลายหลายวัหนหลกงพ่อต้องโขกก็ให้สุขอะไรนักหนามันมีแต่ทุกข์ถ้าไม่หลงมันไม่สุขหรอกชีวิตมันทุกข์ต่างหากล่ะงั้นดีแล้วช้างนี่ชื่ออะไรหลวงพ่อลืมไปแล้วอะไรนะเออน้ตดว่างไงดีแล้วเนียเผลอไปอีกแล้วทราบไหม มันไหลแวบบรู้ทันแวบบรู้ทันไปเรื่อยอะไรนะเออใจตอนนี้เป็นไงใจขณะ น, นี้สับสนรู้ลงไปเลยว่าสับสนนะหลวงพ่อไม่ได้เทศให้รู้เรื่องสังเกตไหมหลวงพ่อเปลี่ยนเรื่องไปเรื่อ ย, อยแล้วแต่อารมณ์หลวงพ่อพูดตามใจตัวเองไม่ตามใจคนฟังนะเนี่ยฝูกหลวงพ่อหลอกลืมตัวเองแล้วรู้สึกไหม รู้ลงไปอย่างนี้นะรู้ลงไปหลวงพ่อพูดเพื่อเป็นเพื่อนเราเท่านั้นนะที่จริงหน้าที่ของทุกคนก็คือหักสังเกตใจตัวเองไปฟังหลวงพ่อพูดไม่ต้องฟังให้รู้เรื่องนะฟังแล้วก็คอยสังเกตใจใจเราหนีไปคิดก็รู้ใจมาตั้งใจฟังก็รู้นะใจเป็นยังไงก็คอยรู้ไปนะอย่างตอนนี้ลืมตัวเองแล้วรู้สึกไหมยังไม่เลิกคิด <c oughs> เอาคุณเสื้อเหลืองนี่เป็นไงอืม <c oughs> เป็นไงเคยฝึกแบบไหนมาไม่เคยฝึกก็ฝึกง่ายนะสนใจไหมสนใจนะให้คอยรู้ทันใจตัวเองแต่ความรู้สึกของเราแต่ละวันไม่เหมือนกันความรู้สึกเราแต่ละเวลาก็ไม่เหมือนกันรู้สึกไหมเนี่ยคอยรู้ความเปลี่ยนแปลงดูจนกระทั่งเห็นความจริงเลยใจเราเป็นของเปลี่ยนแปลงนะโยมนี่เป็นไงลูกชายว่าไงมั่งได้ฝึกบ้างไหม อ้าก็คนมีบุญมันก็สุขเยอะหน่อยให้เกิดไม่ความสุขเวลาความสุขเกิดนะเราพอใจเวลาความทุกข์เกิดเราไม่พอใจให้โยมคอยรู้ทันใจของเราไปพอมีความสุขมันพอใจเราก็รู้ทันมีความทุกข์มันไม่พอใจเราก็รู้ทันให้รู้ทันตรงที่พอใจไม่พอใจอะ่นะรู้ลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งพอไหวแหมอย่างนี้อ่าไหวนะรับปากแล้วนะจู้คอยกลุ่มแม่ไว เอ้าวยมเนี่ยเคยฝึกไหมหรือเอาอะไรบ้านไม่สำเร็จนะเื่อนั่งก่อนนั่งแล้วก็ถ้าไม่หลับก็จะรู้สึกวันนิ้ไม่นิ่งมมันก็มีสองอันนะมันพอมันจะนิ่งมันก็หลับพอไม่หลับมันก็ไม่นิ่งใช่ไหมนี่วิธีฝึกนะ อย่าไปนั่งนะพยายามกระดุกกระดิกไว้เคยกวาดบ้านไหมกวาดบ้า น, นทำนูน่นทำนี่ไปเรื่อยๆทำนูน่นทำนี่ไปแล้ว ก, ก็คอยรู้ทันใจของเราอย่างเรากวาดบ้านเนี่ยกวาดๆไปเราก็ชักลำคาลละคนอื่นชอบมาทำรกเนะี่ยเราก็รู้ทันใจเราลำคาลนะหรือเพื่อนเราโทรศัพท์มาหาเรานะพอได้ยินเสียงเราก็ดีใจเคยเป็นไหมดีใจให้รู้ว่าดีใจนะหรือ ต้องไปหาหมอนะอเออร่างกายเนี่ยก็ต้องให้หมอเขารักษาไปแต่ใจเราเรารักษาเองเพราะงั้นต่อไปปวดหลังปวดเอวอย่าให้ใจกลุ้มนะเพราะว่าใจเราไม่ได้ปวดด้วยร่างกายมันปวดนะฮะแยกกั น, แยก ก, นแยกกายกับใจออกจากกันร่างกายมันปวดเป็นเรื่องของมันให้หมอรักษาไปใจของเราอย่าปวดกับมันด้วย ถ้าเราแยกกายแยกใจได้นะเราซ้อมไปเรื่อยๆเวลาเราจะตายเราจะไม่ทรมานะมันจะเห็นเลยร่างกายนี้มันไม่สบายนอนหายใจขมแมววขมแมววนใจเรามีความสุขนี่ค่อยๆฝึกไปรู้ว่าถ้าเย็บเสื้อนะคะจก็ปวดปวดหลังแต่ก็ยังต้ออยากยังทำ <c oughs> อเหรอ <c oughs> ไปเย็บเสื้อมากมากเลยปวดหลังนั่งนาน <c oughs> เนอะค่ย อ, นนน อ, คอยดูใจไปนะวันไหนเย็บเสื้อได้ดีก็มีความสุขใช่ไหมวันไหนเย็บผิดก็ไม่ค่อยพอใจเนะี่ยให้ค่อยดูใจไปอย่างนี้พอไหวไหมค่อยดูใจเรื่อยๆนะเย็บเสื้อเราก็ปฏิบัติได้เห็นไหมหลวงพ่อไม่ได้บอกว่าให้ไปนั่งหลับตาปฏิบัตินะอชอบเย็บเสื้อเขเย็บเสื้อนี่แหละเย็บเสื้อแล้วปฏิบัติเอาะวันนี้เย็บได้ดีมีความสุขวันนี้เย็บผิดแล้วผิดอีกชักหงุดหงิดโมโห โมโหโตัวเองรู้ว่าโมโหเพราะฉะั้นเย็บเสื้อไปดูใจไปนะอา้าวบิ๊กว่าไงบิก๊ก เ, เอาอีกแล้วเรื่อยๆ <c oughs> ภาษาไทยคำนี้นะไม่รู้แปลว่าอะไร <c oughs> ๆๆๆอ๋อดูเรื่อยๆก็ดนะูสิแหะบอกเรื่อยๆ อ, อดีนะดูไฟไกน่นี่มันทํางานของมันเองใจนี้มันทํางานเองดูเท่านี้ก็พอละวนะบางคนดูไม่นานเขาก็ผ่าน อ, อ่ะอ้าหนุ่มนั่นลืมหลงอีกคนนึงทีมนักดนตรีใช่ไหมเป็นชื่ออะไรหลวงพ่อลืมเออเน็ตว่างไงทีมนักดนตรีดีขึ้นนะในภาพรวมดีขึ้น อ, อ้าวคุณหมีคุณแหม่มส่งกันบ้าน เ อ, อดีดิ้นยังไงก็ไม่ได้หรอกนะเลิกดิ้นถึงจะได้เพราะยิ่งดิ้นนะใจมันมีความอยากก่อนเพราะมันอยากมันก็ดิ้นยิ่งดิ้นยิ่งไกลถ้าเรารู้ทันใจที่มีความอยากนะรู้ว่าดิ้นไปนก็ทุกข์นะบังคับมันไม่ได้จริงใจหมดการดิ้นรนใจจะมีความสุขเราจะพบกับความสงบสุขแห ม, มงั้งไงแมม เผลอานานไม่ดีนะค่อยเตือนกันนะค่อยเตือนกันแต่อย่าทะเลาะ ก, กันนะเตือนไปเตือนมาบางบ้านให้เตือนกันไปเตือนมาเลยโมโหเลย<ช>หาว่าคอยจับผิด <c oughs> ดูเรื่อยๆนะดูไปใช้ได้และ้วะดีแล้วละเอาคู่ข้างหน้าขัดมาสองคนเนยตัวอะไรนะตัวอะไระ เอาช่างมันไม่จําเป็นต้องเห็นหรอกนะเราดูไปในเพื่อให้เห็นความจริงว่ามันไม่ใช่ตัวเรามันทํางานของมันเองรู้สึกไหมดูเก็งแค่นั้นแหละแต่ เ, เห็นมันเปลี่ยนแปลงทั้งวันเลยบังคับมันไม่ได้อ่ะคุณผู้หญิงนะะั่นแหล่ะดีนะดีทั้งสองคนเลยนะสองคนดีขึ้นเยอะเลยดีขึ้นแล้วละ่ะ ไม่จําเป็นต้องไปเห็นในช่องว่างนั้นนะเห็นก็ช่างมันไม่เห็นก็ช่างมั น, นพาเป็นไงนใช่มันทุกข์เพราไปเฝ้าิดนะแทนที่เราจะไปนสนใจคนอื่นนะพาพาย้อนมาเรียนตัวเองพาเห็นไมไ้มใจเราเรายัางบังคับไม่ได้เลยเราจะไปบังคับใจใครได้รู้สึกไหมใจเรานี่เปลี่ยนตลอดเวลา อ่าเรายึดว่าเป็นเนี่ยถ้าเราพากลับมาดูของเราเองนะดูใจเราเองเดี๋ยววันหนึ่งพายังไม่ยึดใจตัวเองเลยเพราะใจเราเนี่ยเปลี่ยนทั้งวันเราบังคับเขาไม่ได้หรอกเพราะงั้นเราจะไปบังคับคนอื่นนี่นะเราจะทุกข์เยอะเลยเพราะมันฝืนธรรมชาติแต่พอเรารู้ความจริงแล้วกระทั้งใจเรายังบังคับไม่ได้เราก็ไม่เป็นบังคับใครนั้นแนะนําได้ไม่ฟังก็แล้วแต่เวรแต่กรรมของเธอ อันแค่นี้เองนะจริงๆคนเราอยู่ด้วยกันชั่วครั้งช่วงขาวทนุถนอมกันไว้ดีกว่าอยู่กันช่วคราวนะสำนวนจีนบอกว่าพี่น้องเหมือนแขนขากระทั่งสามีภรรยาอย่างเหมือนเสื้อผ้าเลยพี่น้องเหมือนแขนขาอยู่กับเราหายไปไหนไม่ได้อะอย่างบางคนมีแฟนมีสามีมีภรรยานะ ทิ้งกันได้นะเคยมีผู้หญิงคนหนึ่งของอินเดียของแขกสามีกับลูกเนี่ยโดยข้อหาเป็นโจรถูกเขาจับไปแกก็ไปเดินร้องร้องทุกข์อยู่หน้าวังพระเจ้าเปเสนที่โกศลบอกว่าแกขอเสื้อผ้าขอพระราชท า, านเสื้อผ้าพระราชาก็นึกว่าต้องการเสื้อผ้าจริงๆเรียกตัวมาพบเจ้าเสื้อให้ แกบอกไม่ใช่เสื้อผ้าของแกเนี่ยหมายถึงสามีแกพระราชาก็เลยไปจับไปเรียกไอ้คนที่ถูกจับมาหลายคนเลยนะมาให้ดูมีพี่ชายแกด้วยสามีแกด้วยบอกเอาคนไหนบอกนี่เอาพี่ชายอา้าวทำไมไม่เอาสามีบอกสามีนี่เหมือนเสื้อผ้าพี่ชายแกญาติพี่น้องแกเหมือนแขนเหมือนขาแก สามีเนี่ยวันไหนโกรธขึ้นมาจะทุบเราแล้วก็หนีไปเลยเลิกเป็นสามีได้แต่พระราชาฟังเราเลยใจอ่อนเลยปล่อยหมดบ้านเลยความจริงไปหาเรื่องแกล้งจับเขามาไม่มีหลักฐานพี่น้องนะเวลาพ่อแม่ยังอยู่ดูไม่ค่อยสำคัญหรอกเวลาหมดพ่อแม่นะมันคือตัวแทนพ่อแม่เราคือชิ้นส่วนของพ่อแม่เรานี่อยู่กับพี่น้องเรา ทธนุถนอม ก, กันไว้นะหาแทนไม่ได้ไม่มีอีกแล้วมีแต่จะหมดไปเรื่อยๆอ้าวแล้วหลานนี่ล่ะเป็นไงเออดูบ่อยๆนะดูแล้วจะได้มีความสุขฝึกไปดีแล้วทั้งทั้งอาทั้งหลานใช่ไหมอาเออทั้งอาทั้งหลานฝึกไปนะให้มีความสุขสีละ่ะพาใจลอยแล้วรู้สึกไหม หนีไปดูเด็กอ่าไปดูเด็กใจไหลไปที่เด็กแวบรู้ทันนะพอรู้ทันเรื่อยๆล้าพาคอยรู้ทันใจตัวเองตัวเองจะทุกน้อยลงถ้าเราคอยดูแต่คนอื่นนะเราจะทุกเยอะพอดูคนอื่นแล้วเราจะคาดหวงังว่ า, างงเขาหน้าจะอย่างนั้นเขาหน้าจะอย่างนี้แล้วเขาไม่เป็นอย่างที่เราหวางังนะเราจะทุกเยอะถ้าเราดูใจเราเราจะเห็นได้ใจเราเปลี่ยนทั้งวันนะเรายังมาคับใจเราไม่ได้เลยดูไปดูมาแต่เรายกโทษให้ตัวเราเองได้นะ ใจเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันธรรมดา <c oughs> ถ้าคนอื่นไม่ได้นะใช่ใช่ระ <c oughs> ดูของเรานะจริงๆแต่ละคนเขาก็ถูกกิเลสดักดันเขาเองก็ไม่ได้อยากไม่ดีหรอกแต่ว่าเขาทนกิเลสไม่ไหวเราแนะนำได้บอกกล่าวได้นะแต่เขาต้องเป็นอย่างที่เขาเป็นนะั่นแหละพา <c oughs> เขาไม่เป็นอย่างที่เราต้องการหรอก คนแต่ละคนเป็นอย่างที่เขาเป็นอะ่ะเขาทำของเขาอย่างไงเขาก็เป็นอย่างนั้นอย่างพาพอมาฝึกปฏิบัตินะจิตใจของภ า, า, าก็าจะสงบใจจะเย็นอะไเงี้ยภาก็ต้องทำเองจิตใจถึงเปลี่ยนแปลงได้พัฒนาได้คนอื่นแทนเราก็ไม่ได้เราก็ไปทำแทนคนอื่นไม่ได้เหมือนกันนั่นจริงเราบังคับใครไม่ได้จริงหรอกมีแต่ทุกนะอยากให้เขาดีแล้วเจอทุกเยอะเรียกว่าความทุกข์ของคนดี อ่าอ้ทางนี้ล่ะคุณผู้หญิงเนะ่เคยฝึกมาแบบไหนฝึกของยุค อ, ะคอ่ะเดี๋ไปฝึกหาไม่มีสติแล้วมันจะทำสมาธิได้ยังไงอ๋อไม่ใช่สติไม่ได้แปลว่าห้ามเผลอสติแปลว่าเผลอแล้วรู้ไวๆหน่อยห้ามเผลอไม่ได้นะ ไม่มีใครห้ามได้หรอกเพราะเราไม่ใช่พระอรหันเราต้องเผลอถ้าวันไหนรู้สึกไม่เผลอเลยรีบมาปรึกษาหลวงพ่อนะอาการหมักยิ่งแต่อย่าเผลอนานให้เผลอประเภทเผลอแวบไปรู้ว่าเผลอละเผลอแวบรู้ว่าเผลอละตอนนี้เผลอแล้วรู้สึกไหมคําว่าเผลอของหลวงพ่อนะแต่ว่าลืมกายลืมใจตัวเราเองเมื่อไหรเราลืมตัวเราเองนะเรียกว่าเผลอไปเมื่อไหรเรารู้สึกอยู่ที่ตัวเราเองรู้กายรู้ใจก็เรียกว่ารู้สึกตัว ตอนนี้หนีไปคิดทราบไหมฟังหลวงพ่อพูดแล้วก็ไปคิดตามใช่ไหมสังเกตไหมขนาดที่เราคิดเนี่ยเราจะลืมกายลืมใจตัวเองเรารู้เรื่องที่เราคิดนะแต่เราลืมกายลืมใจตัวเองอย่างขนาดนี้ยลืมตัวเองแล้วรู้สึกไหมฟังใหม่ๆงงนะไม่งงก็ประหลาดล้นะแต่ต้องอดทนนะหลวงพ่อไม่เรียกค่าเทอมนะไม่เก็บค่าเรียนงั้นทนทนเรียนหน่อย มาฟังครั้งหนึ่งยังไม่เข้าใจเอาซีดีไปฟังซีดีก็แจกด้วยนะไม่เอาไปฟังนะฟังไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งเข้าใจเราจะรู้เลยว่าโอ้าศาสนาพุทธนอัศจรรย์ที่สุดเลยถ้าเราลงมือปฏิบัติแล้วความทุกข์ก็ร่วงหายลงไปต่อหน้าต่อตาได้เลยถ้าเรารู้สึกกายรู้สึกใจอยู่ความทุกข์ไม่มานะความทุกข์มาตอนเผลอเนี่ยตอนนี้รู้สึกไหมเผลอลืมกายลืมใจตัวเองแล้วให้คอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจบ่อยๆใจมันจะตื่นขึ้นมา ถ้าลืมกายลืมใจใจจะฝันฝันคิดคิ ด, คดไปเรื่อยๆเนี่ยแอบไปคิดอีกแล้วทราบไหมมันลืมกายลืมใจตัวเองมันก็หนีไปคิดนะเนี่ยไปอีกแล้วทราบไหมพอจะดูออกไหมเออดูอย่างนี้นะไม่ได้ยากหรอกเชื่อหลวงพ่อเถอะนะอดทนนิดหนึ่งค่อยๆสังเกตค่อยๆดูไปเนี่ยลืมตัวเองอีกแล้วทราบไหมหนะลวงพ่อไม่ได้สอนว่าห้ามลืมตัวเองนะ หลวงพ่อสอนแค่ว่าพอมันลืมเรารีบรู้ให้ไวหน่อยคนทั่วๆไปก็ลืมตัวเองทั้งวันเลยแต่วันละครั้งเดียวลืมตั้งแต่ตื่นเลยตื่นจนหลับนั่นแหละลืมตลอดเลยเนะี่ยเรามาหัดปฏิบัติเดี๋ยวใจเราไหลแวบไปเราก็รู้ทันก็ตื่นขึ้นมาหลงไปอีกแวบหนึ่งรู้อีกก็ตื่นขึ้นมาเนะี่ยลืมตัวเองแล้วนะคุณผู้ชายคนเนี้ยรู้สึกไหมลืมกายลืมใจตัวเองนะเนะี่ยเราฝึกแค่นี้ฝึกรู้กายฝึกรู้ใจไปเรื่อย เนี่ลืมอีกแล้วรู้สึกไหม <Okay. S 1> ไม่ยากหรอกนะไม่ยากอะไรครับคุณผู้ชายถัดไปก็ <Okay. S 1> so, เป็นตอบถูกแล้วตอบเป็นธรรมะไปเลยส่วนใหญ่จะเผลอไปคิดฟุง้งซ่านถูกต้องเป็นอย่างนั้นทั้งโลกเลยนะเพราะฉะนั้นเผลอเนี่ยมีหกแบบเผลอไปดูเผลอไปฟังเผลอไปดมกลิ่นริมรถเผลอไปสัมผัสรู้สัมผัสทางกาย เผลอที่เกิดบ่อยที่สุดคือเผลอบิชิตเราอย่งคิดทั้งวันไม่หยุดหรอกนะเราก็ไม่ได้ฝึกให้ไม่คิดนะไม่ได้ฝึกให้ตัวเองกลายเป็นต้นไม้และก้อนหินคิดไม่เป็นไม่ใช่แต่ฝึกที่จะรู้ทันรู้สึกตัวบ่อยๆใจหนี้บิคิดก็รู้นี่บิคิดก็รู้อย่างตอนเนี้ยลืมกายลืมใจตัวเองแล้วรู้สึกไหมใช่ตั้งใจฟังหลวงพ่อเห็นไหมอย่างนี้ยังเรียกว่าเผลอเลยเห็นไหมลืมกายลืมใจตัวเองเมื่อไหร่เผลอเมื่อนั้นแหละ นะเพราะวิปัสสนาเนี่ยให้รู้กายรู้ใจตัวเองนะเห็นไหมลืมกายลืมใจตัวเองอีกแล้วรู้สึกไหมเหมืนะ่อใจมันมาอยู่กับหลวงพ่อหน่อยเดียวก็ลืมตัวเองและวนะสังเกตไหมไม่ได้ฟังหลวงพ่อตลอดอนกะฟังแล้วก็คิดสลับไปเรื่อยๆดูออกไหมฟังแล้วก็คิดคิดเยอะกว่าฟังอีกเพราะฉะนั้นใจเราไปคิดเรารู้ทันมันเราก็จะตื่นขึ้นมาคุณผู้ชายนี่ลืมกายลืมใจตัวเองแล้รู้สึกไหม น, ะนี่หันไปดูเขาใช่ไหม ลืมตัวเราเองนึกออกไหมเนี่ยเมื่อไหรเราลืมตัวเองนะเมืนะ่อนั้นเรียกว่าขาดสติทั้งหมดเลยเอารุ่นจิ๋วหายไปไหนคนหนึ่งละอ้าวเหรอเด็กรุ่นนี้ดีๆทั้งหมดเลยมีใครโตแล้วอยากบวชมั้งมีไห ม, มนี่แล้วโอ้นี่แหละไม่บวชเหรอยกนะเร็วอายเขานะจะยกเราสามคนอ่าดีเอามือลงได้ หัดภาวนาหัดรู้สึกบ่อยๆนะรู้สึกตัวไปเรื่อยๆเนี่ยจิตใจจะสว่างสวยมีความสุขใจลอยแล้วรู้สึกไหมเนี่ยใจลอยมีขวดละว็นนี้เก้าขวบหรอชอบขวบนี้โตวัวเขาเพื่อนเลย <c oughs> อ้าสิบสองขวบใช่ไหมรู้สึกไว้ใจลอยไปแล้ว อย่าไปนั่งเพ่งนะอย่าไปบังคับรู้สึกไหมเราบังคับตัวเองอยู่ไม่บังคับนะให้เรารู้สบายๆอย่าบังคับแี่คุณผู้ชายถัดมาเป็นไงบ้างรู้เรื่องบางอย่างเออพอได้อยู่อง น, นี้ดูไปเรื่อยๆนะขยันนะทำแล้วมีความสุขอ่ะคุณผู้หญิงถัดมาอ่าถามได้แต่ตอบเปล่ายัางไม่แน่ เอาใหม่นะไปดูละครดูแล้วก็ดูอย่างนั้นก็ดูไม่สนุกสิดูแล้วมันต้องอินหน่อยมันแต่งไงแล้วเราก็คอยรู้ทันว่าอินไปแล้วอย่างนี้จะได้สนุกบ้างพอเราดูดูไปแนละ้วรู้สึกสนุกขำนะขำรู้ว่าขำเนี่ยไม่ใช่ไปดูแล้วงี้นะเสียค่าไฟฟ้า กรรมฐานเนี่ยไม่ใช่เริ่มต้นโดยการแกล้งบังคับให้นิ่งๆนะไม่ต้องควบคุมของคุณควบคุมเยอะไปมันก็เลยเป็นอย่างนั้นนะใช้ชีวิตธรรมดาที่สุดเลยเร า, เราสมมติเราดูละครทีวนะีเห็นนางเอกมานิสัยดีนะสวยด้วยนิสัยก็ดีใจเราชอบเนี่ยใจเราชอบรู้ว่าชอบนะเห็นผู้ร้ายมาเราเกลียดมันรู้ว่าเกลียดใช่หไหมเราดูไปแล้วเราเกิดความรู้สึกเราก็รู้ทันเราไม่ใช่ไปนั่งจ้องใจของเราไว้แล้วก็คอยดูด อย่างนี้ใจจะเฉยเมย อ, อย่างนี้ไม่มีความสุขนะแกล้งปฏิบัตนะิแล้วเราใช้ชีวิตธรรมดานี่อย่างตามองเห็นแล้วความรู้สึกมันเกิดเราก็ค่อยรู้เอาหูได้ยินเสียงความรู้สึกเกิดก็คอยรู้เอาเราจะไม่จ้องไว้ก่อนถ้าเราจ้องไว้ก่อนแล้วเราจะขยับเลยเราก็บอกเรารู้หมดเลยแต่ใจเราจะทื่อๆใจทื่อๆไม่ดนะีพอเข้าใจไหมตรงนี้เออแล้วมาส่งกันบ้านนะอะคุณผู้หญิงถัดไปนว S <S <บ>อ<ก>ืมแล้วครั้งสุดท้ายไหมจริงๆแล้วกรรมฐานไม่ยากนะเลือกให้มันถูกกับจริตนิสัยเรานิสัยของคนมีสองกลุ่มพวกคิดมากกับพวกโลภมากพวกโลภมากพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามพวกนี้ควรจะรู้กายพวกคิดมากควรจะดูจิตนะจลิตมีสองงานของคุณล่ะพวกไหน ดูออกมาให้พวกคิดมากเพราะงั้นให้ดูใจของเราไปใจของเราแต่ละวันไม่เหมือนกันใจของเราแต่ละเวลาก็ไม่เหมือนกันอย่างตอนที่ตื่นนอนตอนเช้ากับตอนนี้ก็ไม่เหมือนกันรู้สึกไหมตอนนี้ตื่นเต้นหน่อยหน่อยรู้สึกไหมเนะี่ยเราคอยรู้ไปใจของเราเปลี่ยนแปลงรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆไม่ห้ามไม่แทรกแตงนะรู้ไปเรื่อยๆในมีใครอีกใครยังไม่ได้เรียนต้้งจนะ ย, ยกมือหน่อยมีไหมหรือหมดละ อ้าวว่ามาเคยฝึกมาแบบไหนฝึกพองยุบไม่ไม่ยุบหนอนนะฝึกพองยุบเดี๋ยวอาจารย์ว่านะฝึกรู้พองยุบไปก็รู้ต่อไปนะไม่ใช่เสียหายอะไรนะเราก็ดูท้องพองยุบไปแล้วก็ค่อยรู้สึกขึ้นมานะว่าร่างกายที่มีท้องพองยุบเนี่ยเป็นสิ่งที่ใจเราไปรู้เข้ารู้สึกไหมมันเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้า จุดที่พลาดมากเลยของคนที่ดูพองยุบ ก, ก็คือชอบไปเพ่งท้องใจไหลลงไปนิ่งๆอยู่ที่ท้องมันคือการเพ่งเพ่งไปนานๆมันคือการทำสมถะนะเพ่งไปแล้วรู้สึกตัวเบาตัวครงตัวเล็กตัวใหญ่ขนลุกสู้ซ่ารู้สึกวุบวบบ้าบๆอะไรเงี้ยอันนี้อาการของสมถะงั้นเราพัฒนาไปสู่การทามิปสนานะเราดูร่างกายเนี่ยดูไปนั่งดนะูดูร่างกายที่มันนั่งอยู่เนี่ย สัง เ, เกตไหมมันเป็นสิ่งที่ใจเราไปรู้เข้าสัง เ, เกตไหมร่างกายเนี่ยมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงท้องมันฟองยุบมันไม่ใช่ตัวเรานะเนี่ยมันเป็นวัตถุที่กาลังเคลื่อนไหวอยู่ดูอย่างนี้ดูดูระวางใจให้ถูกอะ่ะอย่าไปลงไปเพ่งถ้าลงไปเพ่งแล้วไม่เกิดปัญญามันจะเกิดสมถะใจลอยแล้วทราบไหมใจลอยไปแล้วทราบไหมเออให้ครรู้นะเห็นไหมใจลอยแวบๆดูออกไหม ถ้าใครรู้นะใจหนีไปก็รู้ใจเข้าไปเพ่งช้องก็รู้นะรู้เสร็จแล้วเราก็ดูท้องพองยุบไปด้วยใจที่เป็นกลางๆงใจเป็นคนดูอยู่ห่างๆนะเห็นร่างกายมันพองร่างกายมันยุบใจเราเป็นคนดูเรียกว่าการแยกรูปนามนะรูปเนี่ยก็พองไปยุบไปยืนเดินนั่งนอนไปหายใจเข้าหายใจออกไปนะใจเป็นคนรู้คนดนะูถ้าแยกรูปแยกนามไม่ได้ขึ้นวิปัสสนาไม่ได้หรอก ส่วนใหญ่จะชอบไปเพ่งเพ่งท้องพอไปยกเท้ายั่งเท้าก็ไปเพ่งเท้าถ้าปฏิบัติถูกเราจะเห็นเลยร่างกายที่กําลังเดินอยู่เนี่ไม่ใช่ตัวเราเดินรูปมันกําลังเดินอยู่ใจเราเป็นคนดูนี่อย่างนี้ถึงจะเรียกว่าทําถูกนะถ้าเพ่งเท้าเดี๋ยได้แต่สมถะพอไหวไหมคุณข้างหลังด้วยนะฝึกมาพองยุบใช่ไหมอย่าไปบอกว่ายุบหนอพองหนอนะเดี๋ยวอาจารย์ว่า เมื่อต้นเดือนนี้หลวงพ่อก็เข้าไป เ, าเมื่อเดือนก่อนในเดือนธันวาต้นเดือนธันวาเข้าไปที่วัดมหาสีนะของท่านมหาสรีสยานด์ก็ไปดูเขาภาวนากันเขาไม่เครื่องเคลื่อนเท่าเมืองไทยนะใจเขาสบายสบาย